รุนทฟังที่ครบรอคะ่ะมีคือรายการสัสนิษฐานะนะคะผ่านไปสําหรับพระมาชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำนุกกาคลองสิทําไมชื่อคุ้นๆก็ที่ฉันโฆษณายอยู่ในส่วนท้ายของรายการบ่อยนะคะมาเป็นวัดที่นำเอาหนังสือมาแจกให้กับพวกเราโดยพระอาจารย์คึริสโสติพโลคะ่ะมีแต่พระทั้งนั้นนะคะในรายการนี้เรากำลังจะไปพบพระคุณเจ้าอีกรูปหนึ่งก็คือพระไพัยบุ์อภิปุนโนจากวัดป่าดอนหายโสระบุรี ช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวัจนะค่ะกราบมาร่สการกันท่านคะเจริพานวันหนึ่งก็มีพี่ที่เคารพท่านหนึ่งนะคะโทรหาหาดิฉันแล้วพูดบอกว่ายังรับบรรยายอยู่หรือเปล่าพร้อมทั้งทาบทามเลยจะให้ไปบรรยายกับคนที่เจะเกษียน ฟ, ฟังฟังแล้วก็ตกใจนะคะว่าเห็นว่าราวเกษียน แ, แล้วหรือไงพว่า <laughs> <c oughs> จะให้ไปพูดกับท่านที่เกษียนคือ เข้าใจว่าท่านต้องการคนมีประสบการณ์ทีนี้ก็เลยต้องพึ่งพระสิคะว่าหากดิฉันมีเวลาให้ก็อยากจะไปพูดให้เพราะว่าท่านก็บอกว่าอยากฟังแบบธรรมะน่ะอือคุณเจ้าว่าคนกเกษียณเนี่ยจะใช้ชีวิตยังไงดีคะ่ะโอ้กเกษียณ น, นี่เป็นโอกาสว่างแล้วในใน <c oughs> ในความเห็นใ น, ในความเห็นของอาตมาเนี่ยอคนที่กเกษียณเนี่ยคือมีโอกาสว่างแล้วอเอาคนที่ทํางานก่อนสมมุติก่อนที่เราจะเกษียณเนี่ยนะ โอ้ทํางานนี้ยุ่งมากเดี๋ยววันนี้ติดประชุมเดี๋ยววันนี้ติดไปต่างประเทศวันนี้ติดทํางานอย่างนั้นอย่างนี้งานศพงานบวชอะไรมีหมดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะเอาแค่ว่าหยุดเสาร์อาทิตย์นี่ก็แทบจะกระดิกตัวไม่ได้บางคนยุ่งมากนะทีนี้พอกเกษียณแล้วเนี่ยโอกาสว่างมาถึงแล้วนะวันรุ่งขึ้นเนี่ยตื่นมาปุ๊บเอ๊ะวันนี้ฉันต้องทําอะไรเอา้าฉันไม่ต้องทําอะไรนี่โอ้มันว่างเลยทั้งวันเลยนะในโทรศัพท์เขาก็ไม่โทรมาจิกแล้วนะเพราะคุณหมดหน้าที่แล้ว ไปที่สํานักงานเขาคุณก็บัญชาการสั่งการอะไรไม่ได้แล้วนะโอกาสว่างแล้วนะโอกาสว่างสําหรับอะไรนะก็ต้องบอกว่าเป็นโอกาสว่างสาหรับการที่จ ะ, ะประพฤติปฏิบัติให้ได้อย่างเต็มที่นะ ค, คือเราต้องเห็นแงม่มุมตรงนี้คือถ้าถ้าเหตุมาพูดนะคุณยมติวเราก็ต้องพูดเป็ น, ปนธรรมะอย่างที่พระเจ้าได้เคยบอกสอนนะเอาไว้นะเรื่องว่าความแกะะ่เลยมันมีจริงๆนะมันมันไม่ใช่แค่ว่าเขากําหนดตัวเลขเฉย อย่างบางคนอายุหกิบเนี่ยกเกษียณแล้วเนี่ยไม่ยอมแก่นะคือหมายความว่า ค, คือหมายว่าไม่ยอมเลิกอะ่ะยังไปหางานนั้นงานนี้ทํา ค, คือคือเป็นงานการเมืองหรือเป็นงานอะไรที่ว่าไม่ได้จํากัดว่าเขาต้องอาหกสิบอย่างเงี้ยถามว่าคุณทําได้ไหมทําได้คือถึงแม้ว่าคุณจ ะ, กะเกษียณแล้วคุณก็ต้องหาอะไรทำํำนะอะไรที่ว่าอะไรทำเนี่ยคืออะไรนันคือถ้าเรากลับไปเป็นเหมือนเดิมนันก็คือค่าเท่าเดิม ทีนี้เราต้องทำอย่างใหม่ที่ว่าจะช่วยส่งเสริมชีวิตของเราให้ดีขึ้นในที่นี้พระเจ้าก็พูดถึงการปฏิบัติธรรมนั่นเองคือการปฏิบัติโดยวิสัยของคาราวาสเนี่ยนะมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่ที่ว่ารูปแบบบ้างอะไรบ้างมันอาจจะได้จํากัดเพราะว่าการงานที่เรามีทีนี้พอเรากเกษียณแล้วเนี่ยมีเวลาว่างแล้วเนี่ยเราสามารถปฏิบัติที่ดีขึ้นไปยิ่งขึ้นไปได้มากขึ้น อทีนี้ไม่ได้หมายความว่าให้คุณไปอยู่วัดหรืออะไรอย่างนี้นะคือนั้นก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าเราจะต้องหาอะไรทําที่ทําให้จิตใจของเราเนี่ยมันสูงขึ้นดีขึ้นนะ่ะนี่คือประเด็นที่จะมาต้องการพูดถึงนะอืมค่นะสิ่งนั้นคืออย่างไรกนะ็ท่านคะเออก็เช่นว่าคุณศึกษาธรรมะนะไปปฏิบัติธรรมนะทํานอะทําตัวให้เกิดประโยชน์ไปเขาเรียกว่าอะไรมีจิตอาสาสร้างสรรค์สังคม ช่วยเหลืองานการกุศลพวกนี้ยเป็นสิ่งที่เราควรจะทำมากทำความาดีให้สังคมมากนเถอะค่ะที้ท่านพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมแต่บอกว่าถ้ามีโอกาสทำงานจิตอาสาช่วยงานการกุศลก็ดีเหมือนกันควรทำทั้งงานจิตอาสางานการกุศลนี่จะว่าแปล ก, ก็ใกล้กันมากเกือบเหมือนกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ มีคุณค่ายอย่างไรในทางธรรมะคะท่ะานคะก็เป็นการให้เป็นการให้เป็นการที่เราฝึกสติเป็นการที่บาเป็นประโยชน์เพราะว่าอย่างเราเราทำงานอย่างเงี้ยเราทำมาทั้งตลอดชีวิตแล้วเราเหนื่อยพอแล้วเนี่ยเราก็ทาคือทาเนี่ยเราทำหวังเงินเดือนใช่ไหมเราทำหวังตาแหน่งหน้าที่อะไรต่างๆทีนี้ถ้าเราทำโดยที่ไม่หวังอะไรนะเราทำโดยที่แค่ สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นลักษณะของบุญกุศลอันนี้เราได้เต็มที่เพราะว่าบุญกุศลเราเอาไปได้แต่อย่างเช่นเงินทองชื่อเสียงเนี่ยเราเอาไปไม่ได้เลยทิ้งไว้ในโลกทั้งหมดเลยแต่ทีนี้ <c oughs> เกิดใหม่มาถ้าเราไม่มีบุญกุศลเราจะไปยากเราก็ต้องสร้างสมบุญกุศลตรงนี้แหละโดยการให้เปล่าต้องลองนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยทํำทั้งชีวิต uh, do this for that ขอโทษนะคะ <c oughs> ทําสิ่งนี้เพื่อสิ่ง น, นั้น แล้วก็บงคนก็บอกว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรีหรอกอื ม, มันต้องทําแล้วถึงได้แล้วถ้าทําแล้วไม่คิดได้อย่าไปทําอำแต่ให้ลองมาทําแบบไม่หวังที่จะได้เป็นประโยชน์ในลนักษณะมาตอบสนองกับตัวเองในความหมายนี้ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่<ม>เอ่อประเด็นตรงนี้เนี่ยยังมีอีกเรื่องหนึ่งคือว่าเวลาที่เราทําเนี่ยเราให้เปล่าเนี่ยที่คุณโยมติ๋วบอกว่าเออมันไม่มีอะไรได้ฟรีเนี่นะจริงๆแล้วรเราเราทําเนี่ยให้คนอื่นใช่ไหม เราเนี่ยเป็นฝ่ายได้ด้วย น, นนี้คือลักษณะของธรรมะคือเราให้เขาเราก็ได้ด้วยอันนี้คือไม่ใช่ว่าเราให้แล้วเราเสียแต่ที่เราได้เนี่ยคืออะไรคือเราได้ความอดทนเราได้บุญกุศลเราได้ความเมตตาตรงนี้เราทำํำทำเนี่ยเพราะฉะนั้นเขาเสียไหมเขาก็ไม่ได้เสียอะไรเขาก็ได้ด้วยเพราะนี้นเป็นลักษณะของธรรมะที่ทุกคนได้หมดชนะหมดนี่นะคือเราต้องทําตรงนี้วินวิน <win>. situation ใช่ ชนะหมดอันนี้เป็นการบริหารจัดการยุคใหม่แต่จริงๆก็ไม่ใหม่นะคะเพราะว่าถ้าท่านพูดในคือครั้งพู้ถการเลยแล้วก็มีความรัดกุมรอบคอบด้วยนะตรงนี้คืออย่างถ้าฝรั่งที่เขาพูดวินวินอย่างเงี้ยน ะ, ค, ะคือคือมันก็อยู่ที่มุมมองใช่ไหมว่าเรามองมุมไหนทีนี้มันอาจจะมีสิ่งของที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนแต่ในลักษณะของธรรมะนี้นั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงจริงๆ นะด้วยเรื่องของจิต ใ, ใจ น, นั่นเองอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งมีมากกว่านี้ไหมคะเรื่องของคนหลังกเกษียณนะค ะ, อ, ะอย่างหนึ่งคือว่าถ้าเราปล่อยชีวิตให้เราสังกตายเช่นนอนอยู่บ้านกระดิกเท้าดูทีวีดูมันวันละยี่สิชั่วโมงวันละห ล, ะหลายหชั่วโมงเนี่ยโอย้ชีวิตนี้สังกตายมากๆนะคุณจะต้องออกไปทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งถึงจะถูกนะอย่าให้ปล่อยให้ชีวิตสังกตายนะมีหลายๆคนข้าราชการหรือว่าพนัก ง, งานบริษัทบางคนนะคุณโยมติว๋วหลังจากที่กเกษียณแล้วเนี่ยนะ อยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรสามปีเสียชีวิตเลยอายุหกสิบสามมองเท่งไปแล้วเพราะว่าความที่ปล่อยให้ชีวิตสังกตายท่านคะทีนี้บางคนก็จบว่าปฏิบัติธรรมเนี่ยชีวิตมันจะมีรสชาตินี่ไงล่ธรรมะตลอดชีวิตที่ผ่านมามีแต่รสชาติค่ะธรรมะนี่แหละมีสีสันกุญยมติีวธรรมะไม่ใช่ของสาหรับคนครื ธรรมะเนี่ยทําให้ชีวิตเรามีชีวิตชีวามีสีสันได้พระรูปเจ้าพูดถึงความร่าเริงในธรรมะในนี้พูดถึงความกล้กลาๆกล้าหาญในธรรมะในนี้มีเยอะแยะนั้นโดยการฟังธรรมเป็นต้นมีจิตใจฮึกเหิมมีจิตใจกล้าหาญออกไปทําความดีสู้กับสิ่งที่ไม่ดีโอ้นี่มันมีแต่ความท้าทายความน่าสนใจความที่ไม่จืดชืดความที่มีชีวิตมีความกิจกรรมอยู่ตลอดเวลานะเราทําได้<ค>มีมีแง่มุมนี้ของธรรมะอยู่คือ อันนี้ที่ฉันกลับเรียนถามท่านเพราะเห็นว่าท่านก็ใช้ชีวิตอยู่ในสมณะเพศมาเป็นเวลาพอสมควรจะว่าไปเนี่ยก็เหมือนคนเกษียณเหมือนกันนะคะคือเกษียณจากโลกแบบที่โลกของการทำงานใช่เพียงแต่ท่านเกษียณก่อนอายุหกสิบสักสามสิบปีเลไได้ไหมคะใช่้ค่ะทีนี้พอเนี่ยค่ะไม่ชื่อแน่นอนนะคะไม่สังกตายแน่นอนนะคะแน่นอนแน่นอนฟันธงเลย แต่ไม่งั้นปิ๊กิลเนี่ยจะบางท่านจะบอกว่าพระพูดยังไงคิดไม่ออกค่ะออืก็มันเรียบไปหมดไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ว่างไอ้นู่นก็อย่างเงี้ยค่ะคือไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นสักแต่ว่ารู้สักแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ายินอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือเราต้องทําความทําความเข้าใจตรงนี้ยังไงถ้าบอกว่าเรายังไม่รู้ยังไม่เข้าใจเนี่ยเราค่อยๆศึกษาไปเห็นแง่มุมต่างๆของธรรมะเราก็พอจะเห็นตรงนี้ที่ว่าเออเรามันมีแง่มุมตรงนี้อยู่ ทีนี้ที่คุณยมติวพูดถึงประเด็นที่ว่าอย่างประสงค์เนี่ยก็เป็นลักษณะของการเกษียณก่อนที่จะหมดอายุราชการก็ถูกอยู่ถูกต้องนะเป็นโอกาสว่างเรามีโอกาสว่างแล้วน่ะเรายิบต้องใช้โอกาสว่างนี้ให้ยังเกิดประสิทธิภาพมากมากเลยจริงๆรแล้วในเรื่องอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ฉันคิดว่าสําคัญคือคนทํางานเนี่ยท่านในยุค ข, ของทุนนิยมเราทํางานแลกเงินนะคะท่านอืมใช่ส่วนหนึ่งนะคะอ่ทีนี้ไรายได้ ที่มันหายแบบมันก็อดจใจหายไม่ได้จินตนาการไปข้างหน้ากับไหมของมันก็แพงขึ้นทุกอย่างไอ้ตรงเนี้ยค่ะเวยเลยไมหไมคะท่านคะอืมก็ถ้าบผกว่าเรายังไม่สามารถที่จะจัด ก, การเรื่องเงินเก็บนะที่ว่าจะต้องอยู่เฉยๆได้แล้วเนี่ยยังไม่ได้คุณก็ต้องทำงานนะคือหกสิบแล้วคุณก็ยังต้องไปหางานทำเพื่อแลกเงินอยู่ดีเพื่อที่จะเลี้ยงชีวิตของเราให้ไปได้ เนะี่ยคือบางคนอาจจะไม่ได้มีบําเหน็จบํานาญแต่ว่ามีลูกเต้าที่คอยสงเสียอยู่อันนี้ก็ถือว่าคุณมีรายได้แต่คุณอาจจะไม่ต้องไปทํางานเหมือนเมื่อก่อนแต่ถ้าไม่มีเนะี่ก็เห็นอยู่ถมใบเหมือนกันนะคนที่อายุมากแล้ว60แล้วขั่วขาหมดแล้วเนี่ยก็ยังทํางานตามที่นั่นที่นี่ก็มีเป็นเด็กเสิร์ฟในแมคโดนัลล์ก็มีนะเคยเห็นที่ต่างประเทศนะเขาก็เอาคนแก่ อ, อย่างเงี้ยมาเป็นเป็นพนัก ง, งานในในร้านอาหารก็มนะีเพื่อที่จะสร้างไรายได้ให้บุคคลเหล่านั้นนะ ค่ะแต่อย่างนี้ก็เท่าเกษียณไม่จริงเพราะว่าเกษียณแล้วตามอายุที่เขากําหนดก็ยังจะต้องไปหางานทําอีกใช่นะคะแต่สําหรับคนที่เกษียณแล้วเกษียณเลยนะะก็คงจะเป็นเรื่องธรรมะเนี่ยแหละเป็นหลักอืมเรื่องกินน้อยใช้น้อยมีไหมคะเอะก็เป็นวิถีของธรรมอยู่แล้วนะการกินน้อยอยู่น้อยเลี้ยงง่ายๆโดยเฉพาะยิง่งถ้าเราอายุมากแล้วเนี่ย ไอเรื่องทรงผมทรงเผ้าอะไรที่มันต้องสมัยก่อนไปทไําใดเซตอะไรทีหนึ่งเป็นพันๆเนี่ยนะมันจะง่ายมากนะเนี่ยพระเจ้าเคยพูดถึงคนแก่ๆเนี่ยนะอายุมากแล้วเนี่ยตัดผมนี่ก็ตัดอย่างลวกๆเอาตัดสั้นๆลวกๆเอาไม่ต้องวิถีวิสันอะไรมากเนะ่เพราะว่ามันก็จะไม่ได้ทําให้ฉันสวยขึ้นมากเท่าไหร่เนะี่ยเขาก็ทําอย่างนี้ไปเพราะฉะนั้นเราก็อยู่ง่ายๆเงียบๆง่ายๆแล้วก็อยู่แบบสมถะแต่ไม่ใช่ว่าสมซ้อไม่มีชีวิตชีวาเนะี่ยบางทีมันก็ต้อง มีบ้างตรงนี้ก็เป็นวิสัยของคาราวาร่าก็ทำได้ค่ะทีนีอ้อีกด้านหนึ่งคือไอ้ความรู้สึกเนี่ยค่ะที่มันอาจจะแบบมันเคว้งคว้างเมื่อก่อนนี้โอโ้โหเป็ น, นคนลับใหญ่นะคะจะมีคนมาพี่นอพี่เทาแต่พอหมดจากําแต่งปุ๊บเนี่ยมาวันเดียวเลยวันเลี้ยงส่งเพื่อเผลอบางคนไม่มาเลยด้วยซ้ำใช่หลังจากนั้นชีวิตที่เคยมีคนมากราบไหว้เอาอกเอาใจาหายไปเลย อันนี้เราสามารถฉกเฉลียโอกาสนี้ในการเห็นธรรมะได้ทันทีนะว่า r e ไรที่มีมามันก็หายไปแล้วนะแล้วก็เวลาที่เรามีจิตใจอย่างเงี้ยอาจจะมีความซึมเศร้าใช่ไหมเรายิ่งต้องพึ่งธรรมะเลยเพราะว่าธรรมะเนี่ยจะเอาเขีย่ยไอ้ความซึมเศร้านี้ออกไปได้ความหดหู่นี้ออกไปได้เอ่อถ้าเราเห็นตรงนี้เราจับมันปล่อยวางเห็นความไม่เที่ยงเราจะปล่อยสิ่งนี้จะทําให้จิตของเราเนี่ยสบายได้นะนยิ่งต้องใช้ธรรมะอย่างมากทีเดียว นะคะก็ต้องถือเป็นโอกาสที่ได้เห็นธรรมะก็คือเรื่องของความไม่แน่นอนไม่เที่ยงถูกไหมคะใช่ก็เคยมีคนพี่น้อง่าวจูจ่ๆเหมือนฟ้าแลบหายไปเลยก็เท่ากับว่าอันนี้เป็นความไม่เที่ยงแท้แน่นอนใช่เป็นความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงอันนี้คือคืออะไรนะคะอันนี้จังได้ไหมคะอ่าใช่อันนี้จั ง, น, น, จง น, นี่เป็นความไม่เที่ยงนะคะพอ ความไม่เที่ยงเกิดไม่เหมือนเดิมปุ๊บแล้วทุกมาขังเลยอทีนีเ้เรื่องของความเรื่องของการเลี้ยงเตือ น, นิดหนึ่งคือสมมุติว่าถ้าเราไม่ได้มีลูกหลานนะถ้าอายุมากแล้วไม่ได้มีลูกหลานที่อยู่ด้วยเี้ยเราก็จะต้องมีเพื่อนนะที่คอยดูแลซึ่งกันและกันอาจจะไม่ได้มีสามีภรรยาหรือสามีภรรยาคู่ชีวิตเราเสียชีวิตไปแล้วในะอยู่คนเดียวจริงๆเลยเนี่ยาการอยู่คนเดียวตรงนี้ก็จะต้องมีคนคอยดูแลแตนะ่ถ้าหมายความว่า คุณอาจจะไม่ได้มีเงินไปจ้างาพยาบาลมาดูแลที่บ้านแต่เราก็จะต้องมีเพื่อนที่คอยดูแลซึ่งกันและกันต้องมีกัละยาณมิตรตรงนี้ต้องหาต้องหาคนที่มีศีลมีจักข้มีศรัทธามีปัญญานเป็นเพื่อนกันคุยธรรมะคอยดูแลกันป่วยไข้ก็ไปเยี่ยมมีอะไรก็ซื้อมาฝากกันนี่เป็นเพื่อนที่ต้องหาอีกประการหนึ่งของคนที่เกษียณอายุคือเรื่องโรคภั่ไข้เจ็บคุณยมเตีวเเยวโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันก็ยิ่งถามหาละ นะความแก่เนี่ยมันเปิดทางให้โรคทั้งหลายเนี่ยมันบ่าเข้าม า, เ, าเพราะฉนั้นเราก็ต้องรู้จักดูแลตัวเองนะรู้จักที่จะคอยอยิ่งใช้ธรรมะเลยรับประทานการรับประทานอาหารคุณจะรับประทานอย่างไรนะเพื่อที่จะให้ถูกธาตุนะการนอนในะการทําความเพียรการที่จิตของเราเนี่ยถ้าเราควบคุมจิตของเราไดนะ้เราสามารถที่จะอยู่เป็นสุขได้แม้กระทั่งมีโรคภัยแค้เจ็บเกิดขึ้นนตะั้งทาง <c oughs> กายทางใจเราต้องควบคุมดูแลตรงนี้ เขาบอกไว้ตัวเด็กทำมันเป็นปัญหาใหญ่ใช่ก็ <S <S <S <S จะทําอย่างไรคะถึงจะทําให้กินตามแบบ พ, ดทดพดทุทธจุพุทธวัจนะและชีวิตตีโอ้ก็ผู้เชา่าเคยมีคนสรรเสริญผู้เช่า ว, ว่าพระองค์นี่เคี้ยวข้าวละเอียดคือคือบทเพียรชนะก็จะเป็นคําของเขาแต่สรุปสรุปว่าเนี่ยเคี้ยวข้าวละเอียดเนี่ยไม่มีเยื่อข้าวที่ยังไม่ได้ขบให้แตกเข้าไปในปากอย่างเงี้ยเคี้ยวให้ละเอียดแล้วก็กิน กลับคําข้าวในปากเนี่ยสองสามคในเวลาฉันทรองรับประทานอาหารเนี่ยก็ไม่ได้กินเต็มปากนะแกแค่ใช้แค่2อกหนึ่งในสรครึ่งปา ก, ปากครึ่งปากเท่านั้นเองเพราะนี่เป็นเทคนิคที่เราเห็นได้ว่าวเราต้องนอนเคี้ยวละเอียดใช่แล้วก็อย่ากินคาใหญ่เนี่ยแล้วก็กินอาหารเนี่ยเพื่อที่ระงรับเวทนาเท่านั้นเองไม่ได้เพื่อตกแต่งผิวพัรณไม่ได้เพื่อที่จะได้เกิดความสวยงามเพียงเพื่อให้ไก่นี้ตั้งอยู่ได้แค่นั้นเองอ๋อไม่ต้องเลือกกินคอลลาเจนกิน <c oughs> อันนี้อะไรนะคะอันนี้จะกลายเป็นภาระกับอันที่ออกจนอันนี้จะเกินกลายเป็นภาระกับตัวคุณด้วยมากไปด้วยซ้ำนะเพราะว่าประเด็นคือถ้าเรากินน้อยนะกินน้อยนี่คือคือกินคำว่เาเอาพูดใหม่เดี๋ยวกินพอประมาณแต่กินพอประมาณเนี่ยก็หมายความว่าคุณกินพอแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องอยู่อันนี้ก็เรียกินพอประมาณเป็นผู้มีมีท้องอันปร่องอยู่เสมอคือจะต้องเขี้ยวละเอียดคําเล็ก อมีท้องอันพร่องอยู่เสมอเราประทานพอประมาณใช่ใช่นคืออะไรคท่านคะคือหมายความว่าคุณกินอิ่มแล้วเนี่ยไอ้ที่อิ่มความว่าอิ่มเนี่ยหมาย ว, ามว่ายังมีช่องว่างเหลืออยู่ในท้องอยู่นั่นคือไม่ใช่อิ่มแปรจนเต็มเนื้อที่กระเพาะไม่ใช่อันนี้คือผิดที่ถูกคือกินแล้วพอพอแล้วหมดคําสุดท้ายแล้วเนี่ยยังมีช่องว่างในท้องเหลืออยู่บ้างอันนี้ถึงจะถูกอืจะทําให้ ไม่อิ่มเกินไปอืมป่วยน้อยย้อนย่อยทำงานได้เต็มที่ป่วยน้อยค่ะดังนั้ก็ถือโอกาสดิฉันเองก็จะจดจําที่ท่านได้นำผู้ทวจนะมาเล่าให้ฟังในเรื่องนี้ไปบรรยายต่อถ้ามีโอกาสในขณะเดียวกันยังคิดว่าสิ่งที่ท่านได้เมตตาเล่ามานี้เป็นประโยชน์กับทุกคนเลยนะคะเพราะวันนี้อาจจะยังหนุ่มสาวเวลามันผ่านเร็วที่สุดและสําหรับดิฉันเองนะคะเวลานี่แหละเป็น อะไรที่น่ากลัวมากที่สุดออ mm ืนึกถึงคําพูดที่ว่าเวลากลืนกินสัพพสิ่งไม่รู้ใครพูดเหมือนกันนะคะออ mm ื hmm. แล้วก็หมดเวลาแล้วมันกลืนกินสพรพพสิ่งกินกินการเรด้วยกราบนำ้ำพิธีการขอบพระคุณท่านเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเจตผ่านเจตผ่านค่ะท่านฟังที่เคารพค่าคงลาไปหุนหุนหนแบบนี้แหละนะคะสําหรับรายการสันสนนาดเป็นรายการโดยสันสนาดนาพง์ผ่านไปเมื่อสักครู่ก็คือพระภัยบุญพิบุญโนวั ต, ปว ต, ปวตปรปาร์ดไยสุรดรธานีพุทธวสตรีค่ะ